ฉะนั้นทางชีวิตที่รเราเวียนได้ตายเกิดอยู่อย่างเนี้ยไม่เป็นสุขโตแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนีไ่ได้เสด็จมาสู่โลกนี้อีกแล้วเพราะว่าได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานแล้วได้เสด็จไปสู่ที่ดีงามแล้วก็คือที่ที่ไม่ตายอันเป็นอมตะคือพระนิพพานนั่นเองได้บรรลุถึงสถานที่ที่ดีงามคือนิพพานแล้วเป็นอมตะแล้วเนี่ยไม่ตาย ฉะนั้นถ้าเราจะปฏิบัติธรรมหรือจะสร้างบุญสร้างกุศลอันใดอันหนึ่งก็ตามท่านจึงสอนให้เรานี้ตั้งจิตอธิษฐานเอาท่า น, นิพพานนี้เป็นผลสำเร็จหรือเอานิพพานนั้นเป็นผลตอบแทนต่อ บ, บุญกุศลที่เราได้ทําไปอธิษฐานเข้านิพพานอย่าอธิษฐานไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเพราะเมื่อเกิดแล้วเราก็ยังจะต้องตายอีก ท่านบอกว่าอย่าไปอธิษฐานในภูมิเหล่านี้ถึงจะอธิษฐานไปอย่างไรก็จะไม่เกิดความสวัสดีแก่ชีวิตของเราก็ควรจะได้อธิษฐานไปสู่พระนิพพานเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงได้รับพระนามว่าเป็นสุขโตประการที่สามความหมายของสุขโตนั้นก็เพราะว่าได้สเสด็จไปถูกต้องแล้ว ที่ว่าเสด็จไปถูกต้องแล้วนั้นก็เพราะว่าที่ที่เสด็จไปนั้นไม่ต้องวกกลับคือไม่เวียนกลับมาสู่กิเลสอีกก็เรียกว่าไปถูกต้องแล้วเหมือนอย่างเราเดินทางถ้าหากว่าเราไปเส้นทางใดที่ไม่ถูกเราก็อาจจะต้องย้อนกลับเพราะว่าทางที่ไปนั้นไม่ถูกแล้วพอไปถึงอ้าวไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการเราก็ต้องเวียนกลับไปหาทางใหม่ต่อไปอีก อันนี้เพราะว่าทางที่ไปนั้นไม่ใช่ทางถูกเป็นทางที่ผิดแต่ถ้าทางใดเป็นทางที่ถูกแล้วก็ไม่ต้องวกกลับหรือไม่ต้องเวียนกลับพระที่มีพระภาคเจ้านั้นได้เสด็จไปสู่สถานที่ที่ถูกต้องแล้วก็คือเมื่อเสด็จไปแล้วไม่เวียนกลับมาอีกไม่วกกลับมาสู่กิเลสอีกกิเลสอันใดที่ถูกทาลายไปแล้วกิเลสอันนั้นก็ไม่เกิดขึ้นอีกเช่นเมื่อทำลายความโลภไ้แล้วความโลภ ก, ก็ไม่เกิดต่อไป ทำลายความโกรธได้แล้วความโกรธก็ไม่เกิดอีกต่อไปทำลายความหลงได้แล้วความหลงก็ไม่เกิดอีกต่อไปหมายความว่าอาริยมรรคที่เกิดขึ้นประหารกิเลสจะเป็นกิเลสประเภทใดก็ตามก็ประหารโดยเด็ดขาดแล้วกิเลสที่ประหารไปแล้วเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นมาอีกแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นอริยมรรคอริยผลแล้วแม้เราจะทำลายกิเลสได้บ้างกิเลสอนนันนั้นก็เกิดอีกได้ ความโลภความโกรธความหลงก็เกิดอีกได้อย่างพุทุชนเราที่บางครั้งเราละความโลภความเห็นเกี่ตัวได้แต่ความหลงแก่ตัวอันเนี้ยต่อไปมันอาจจะเกิดได้อีกเหมือนกันเพราะว่าเรายังไม่ใช่จะละได้โดยเด็ดขาดก็อาจจะเกิดกิเลสเช่นนี้ขึ้นมาหรือความโกรธที่เราระงับได้ในขณะ น, นี้ก็ไม่ใช่หมายความว่า ม, ามันระงับไปเลยต่อไปก็อาจจะเกิดความโกรธขึ้นมาใหม่ได้ อย่างนี้แปลว่ายังเป็นโลคีธรรมอยู่ถ้าเป็นโลกุตรธรรมแล้วก็ไม่เกิดอีกดังเช่นท่าสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงละกิเลสได้แล้วกิเลสนั้นก็ไม่เกิดอีกไม่ใช่วันนี้เป็นพระอรหันต์ตรงนี้เป็นปุถุชนตรงนี้เป็นปุถุชนมาเรือนี้เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อเป็นอริยบุคคลแล้วก็ไม่เวียนมาสู่ความเป็นปุถุชนอีกอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้เสด็จไปถูกต้อง เพราะาไม่ผิดฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าผิดหรือไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้บรรลุถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่าผู้มีพระภาคเจ้าสอนไว้แล้วย่อมถูกต้องเสมอเพระหวะโดยที่สู่ความถูกต้องมาแล้วนับจํานวนไม่ถ้วนว่าผู้ปฏิบัติตามคําสอนนี้จะได้บรรลุมรรคผลเท่าไรในอดีตนั้นผู้บรรลุมรรคผลเนี่ยเป็นสถีพยานได้เป็นอย่างดี าการปฏิบัติเช่นนี้ถูกต้องแล้วประการที่สี่ที่ว่าเป็นสุขโตนั้นก็เพราะว่ามีพระดำรับเฉพาะพระวาจาที่ควรในฐานะอันควรหมายถึงว่ามีพระดำรับหรือมออีพระวาจาที่ควรในฐานะที่ควรหรือวาจาอันควรในฐานะที่ควร วาจาอันควรในฐานะที่ควรเนี่ยอย่างไรคือพระดำรับของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นวาจะเปล่งพระโอษ์ออกมาได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งนี้ต้องพิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อนเช่นวาจาใดท่านตรัสว่าถ้าวาจาใดไม่จริงวาจาใดไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของชนพวกอื่นตถาคตย่อมไม่ตรัสวาจานั้นคือคำพูดใดที่พูดไปแล้วเนี่ยคำพูดนั้นนาไปจริงเลยเป็นเรื่องเพ็จแล้วก็ไม่ใช่ของแท้ด้วยพูดไปไม่มีประโยชน์ด้วยทั้งพูดไปก็ไม่เป็นที่ชอบใจของชนพวกอื่นด้วย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมไม่ปรับวาจาเช่นนั้นเนี่ยจะเรียกว่ามีพระตดำรับชอบหรือวาจาใดแม้ว่าจะจริงแท้แต่วาจานั้นเมื่อปรับแล้วไม่เป็นประโยชน์และวาจานั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของชนพวกอื่นตถาคตย่อมไม่ปรับวาจาเช่นนั้น หรือวาจาใดแม้จะจริงจะแท้มีประโยชน์ท้งท้งคื่เป็นว า, วาจาที่จริงด้วยแท้ด้วยพูดแล้วมีประโยชน์ด้วยแต่พูดไปแล้วคนอื่นไม่รักไม่ชอบใจคนส่วนมากไม่รักไม่ชอบใจถ้าผู้มีประพาคเจ้าก็ยังต้องรู้จักการที่จะกล่าววาจาเช่นนั้นหรือแม้แต่บุคคลอื่นจะชอบใจก็ยังต้องรู้การรู้เวลา ว่าการนี้ควรพูดไหมการนี้ควรพูดหรือไม่รู้การรู้เวลาในการที่จะตรัสวาจาเช่นนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสุขโตคือเสด็จไปดีแล้วนั้นจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหลายอย่างดังที่ได้กล่าวมาเราเปล่งวาจาคำว่าสุขโตครั้งใดก็ขอให้เรานึกถึงความหมายของสุขโตเหล่านี้ไว้ เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเราจะต้องสวดสรรเสริญกันอยู่เสมอบางท่านสวดวันหนึ่งตั้งหลายหลายครั้งพระพุทธคุณนี่ก็ขอให้เราได้เข้าใจความหมายของพระพุทธคุณแต่ละบทที่เราสวดด้วยเมื่อเราเข้าใจความหมายแล้วการปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์สุกตนนี้ในด้านของการปฏิบัติเพื่อที่จะเกิดสมาธิจิตนั้นเราก็ ใช้หลักการปฏิบัติเหมือนในข้อ ต, ด ต, ดตด้นๆคือเราจะใช้ขนาดที่เราทำวัดสวดมนต์คือสวดมนต์ไหว้พระจะก่อนนอนก็ดีหรือตอนเช้าจะออกไปทำงานก็ดีควรจะได้นั่งทำสมาธิต่อนหน้าที่บูชาพระสักสิบห้านาทีหรือสามสิบนาทีโดยเอาจิตเนี่ยไว้กลางกายตัวเราแล้วเราก็บริกรรมพระพุทธคุณเนี่ยเป็นอารมณ์จะใช้คำว่าสุขโตสุขโตก็ได้ หรือจะใช้คำว่าวิชาจารณะสัมปันโนวิชาจารณะสัมปันโนก็ได้ให้บริกรรมอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านบอกว่าคนที่นั่งรถนั่งเรือเนี่ยบริกรรมสุขโตสุขโตและปลอดภัยทุกคนน่ะหมายความว่า้าบริกรรมสุขโตเป็นสมาธิอยู่แล้วก็อุบัติเหตุไม่เคยเกิดปลอดภัยทุกคนราณที่ถือเคร่งๆก็ใช้บทนี้สุขโตตะว่า มีความหมายว่าเสด็จไปดีแล้วก็เป็นความหมายในด้านที่ว่าเราเดินทางเนี่ยปลอดภัยดีแล้วไม่มีอุปสรรคอันตรายเกิดขึ้นให้เรานั่งสมาธิบริกรรมไว้ทุกครั้งก่อนนอนก่อนที่จะออกไปทำงานควรจะได้ทำสมาธิเสียก่อนแล้วก็วิธีทำอย่างนี้ไม่ยากเลยมันฝึกอยู่เสมอหรือแม้ขณะที่เราไปนั่งที่ทางานเราก็เอาจิตไว้กลางกาย ทำสมาธิไปทำงานไปก็ได้จะเป็นประโยชน์มากก็ทำให้เรามีความตั้งใจดีมีจิตบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอไม่ต้องเกิดความเดือดร้อนใจหรือเกิดความพุ้งสร้างกระบวนกระวายฉะนั้นเวลาใดที่ท่านทั้งหลายมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่สบายใจมีความพุ้งสร้างอยู่ก็ขอให้นึกถึงพระพุทธคุณเหล่านี้เป็นอารมณ์ เราจะนึกถึงที่ใดที่หนึ่งก็ได้ถ้าเรานึกถึงอยู่เสมอถึงแม้เราจะไม่ห้อยพระเครื่องเลยแม้แต่องค์เดียวเราก็มีพระติดตัวเราคือแทนที่อยู่ที่ตัวอยู่ที่ใจเลยมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจแต่ถ้าหากว่าเรามีพระห้อยเต็มคอแต่คิดทุดจดิษฐนุ่มคิดทุดจดิษนี่ก็ยังอยู่ห่างไกลพระมากหกา่างไกลพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากแต่ถ้าเรานึกบริกรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่เสมออย่างนี้ แม้ท่านจะไม่มีพระเครื่องติดตัวไปเลยเราก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคุ้มครองใจอยู่ติดอยู่ที่ใจเราแล้วโดยเราบริกรรมอยู่เสมอเราก็จะแล้วคลาดจากภัยพิบั ต, ติต่างๆได้เนี่ยเป็นวิธีเจริญพุทธานุสติหรือการเอาพระพุทธคุณเนี่ยเป็นอารมณ์เพื่อสร้างจิตนี้ให้เกิดสมาธิขึ้นมาเป็นวิธีที่ง่าย แล้วก็สะดวกแกการปฏิบัติตอนทั้งหลายทำได้ทุกท่านปฏิบัติไม่ยากทุกท่านทำได้อย่างเต็มที่ถ้าหากว่าเราใช้บริกา ร, รเช่นนี้อยู่เสมอแล้วก็จะเกิดประโยชน์มากเหมือนกับเรามีพระติดตัวติดใจอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปหาพระเครื่องมาห้อยคอให้หนักเปล่าๆบางทีจะเดินเร็วอีกก็เลยพอยให้ช้าไปด้วย ทำให้เดินช้าบางทีจะวิ่งเร็วสักหน่อยก็เลยวิ่งช้าไปค น, นี้ยบางคนห้อยเต็มคอเชียวตมาเคยเคยสังเกตเห็นอย่างทหารไปสงครามอย่างเนี้ยไปเวียดนามเนี่ยข่าวกมุ่มว่าทหารไปสักกองพลหนึ่งตมาว่าพระพุทธเจ้าไปตั้งสิบกองพลเพราะว่าคนหนึ่งคนหนึ่งไม่มีพระตั้งสิบกวองค์ถ้าวก็ว่าพระพุทธเจ้าดิท่านไปสนามรบตั้งสิบกองพล มากกว่าคนที่อีกมากกว่าทาหารสิอีกหรตั้งมากมายแต่ถ้าเราใช้พุทธคุณแล้วแล้วก็ติดตัวอยู่ตลอดติดใจอยู่ตลอดเวลาแล้วยังช่วยคุ้มครองใจได้ด้วยเนี่ยเป็นวิธีปฏิบัติแบบง่ายๆซึ่งถ้าหากว่าเราใช้อยู่เสมอก็จะเกิดประโยชน์มากนี่เป็นพุทธคุณบทที่สามกับบทที่สี่มีทั้งหมดเก้าบทด้วยกัน สมาจะได้บรรยายแต่ระบบให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเผื่อว่าท่านทั้งหลายที่สนใจจะปฏิบัติอยู่ทางบ้านหรือทางไหนก็ได้โดยเราใช้วิธีปฏิบัติง่ายๆแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราเอาจิตอยู่กับพระพุทธคุณอยู่ตลอดเวลาถ้ายึดมั่นเพ่งองค์เดียวองใดองหนึ่งเท่านั้นก็พอแล้วพระเถราทุกท่านปฏิบัติกันมาเนี่ยถ้าไม่เอามากองเดียวแล้วก็เพราะยึดมั่นในองเดียวนี้แหละ เมื่อสมาธิจิตดีสูงขึ้นอธิษฐานสิ่งใดก็ย่อมสาเร็จได้ซึ่งเป็นผลพลอยได้เกิดจากสมาธิจิตขอให้เรายึดมั่นในพุทธคุณเท่านั้นก็จะสาเร็จในสิ่งทั้งปวงได้ที่ได้มากที่สุดก็คือทำให้จิตผ่องใสทำให้กิเลสเบาบางและเมื่อสมาธิจิตดีขึ้นแล้วก็จะไปสู่ยานปัญญาได้ในบั่นปลาย นี่เป็นผลได้จากการเจริญพุทธานุสติในวันนี้ก็ขอบัญญายไว้ในเพียงสองข้อนี้อาทิตย์หน้าจะได้บรรยายต่อในข้อที่ห้ า, ข, หาข้อที่หกต่อไปวันนี้เวลาก็พอสมควรแล้วจะขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงนี้ท่านสาวุชนทั้งหลายการบรรยาย พระวสุทิมากในวันอาทิตย์นี้จะได้บรรยายในอนุสติที่เป็นส่วนของพระพุทธคุณต่อจากเมื่ออาทิตย์ก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้พูดถึงเรื่องพระพุทธคุณในข้อวิชาจารณะสัมปันโนกับคำว่าสุขะโตซึ่งเป็นบทบริกรรม ในพระพุทธคุณบทบที่สามกับบทที่สี่ในวันนี้จะได้พูดถึงบทที่เราสวดกันอยู่เสมอว่าโลกับวิทูคำว่าโลกบวิทูนี้ถ้าแปลตามศัพท์ก็แปลว่าผู้รู้แจ้งโลกหรืออีกไม่ยันหนึ่งเราจะแปลว่าผู้รู้จักโลกก็ได้ได้สองในยะด้วยกัน รู้แจ้งโลกกับรู้จักโลกซึ่งเป็นส่วนของพระพุทธคุณบทที่ห้าที่เราสรรเสริญว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้รู้แจ้งโลกและรู้จักโลกนั้นอย่างไรคำว่าโลกในที่นี้เราจะต้องเข้าใจสก่อนว่าคืออะไรคำว่าโลกนี้ท่านให้คำจากัดความว่า ลุบปตีติโลโกโ้คำว่าลุบปตีติโลโก้นี้แปลว่าธรรมชาติใดย่อมแตกสลายได้เพราะฉะนั้นธรรมชาตินั้นเรียกว่าโลกอ่าครนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในอภัณยสูตรในคำพีพระสุตตันตปิปิโดทีขนิกายปาสิกกวตรตได้ตรัสถึงเรื่องความวิวัฒนาการของโลกมาตามลํำดับตั้งแต่ ยุปเริ่มแรกซึ่งเราได้เคยศึกษาในด้านของภูมิศาสตร์ว่าโลกมนุษย์ที่เราอาศัยกันอยู่นี้เกิดขึ้นมาแล้วตั้งหลายล้านปีหลายร้อยล้านปีซึ่งระยะเวลาที่ผ่านพ้นมาหลายร้อยล้านปีนี้เราได้จากนักศึกษาค้นคว้าทางด้านภูมิศาสตร์ได้ศึกษาค้นคว้าถึงความเกิดของโลกในด้านของวิทยาศาสตร์ แต่ว่าถ้าในด้านของเทวะด้านเทวนิยมคือพวกที่นับถือบูชาพระเจ้าก็กล่าวว่าโลกมนุษย์ที่เราอาศัยกันอยู่นี้พระเจ้าเป็นผู้สร้างสร้างมานานแล้วเมื่อสร้างโลกขึ้นก็สร้างดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สร้างมนุษย์ขึ้นมาจนกระทั่งแพร่พันไปทั่วโลกในปัจจุบันซึ่งอันนี้เป็น เรื่องของความคิดเห็นของฝ่ายเทวนิยมส่วนพวกอนกวัยาิศาสตร์นั้นเป็นพวกวัตถุนิยมพระวิทยาศาสตร์นั้นอาศัยพิสูจน์ทางด้านวัตถุแต่ก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะยืนยันหลักฐานว่าโลกมนุษย์นี้สร้างมานานแล้ว <c oughs> ท่านทั้งหลายที่ได้ศึกษาในด้านภูมิศาสตร์ถึงความเกิดของโลกวันดีความวิวัฒนาการของโลกมนุษย์ ตลอดจนชีวิตสัตว์ทั้งหลายก็ดีเราจะทราบว่านักวิทยาศาสตร์นั้นอนาศัยการคาดคะเนมาตามลาดับแต่เป็นที่น่าอสจรย์ว่าการค้นคว้าบางอย่างในปัจจุบันนี้ของนักพุทยาศาสตร์นั้นได้คลี่คลายความเข้าใจในพระพุทธศาสนาเนี่ยได้แจ่มชัดขึ้นเพราะว่าเราเคยสงสัยในเรื่องของโลกและความเกิดขึ้นของโลก ที่เราได้อาศัยกันอยู่ก็ดีตลอดจนที่มีอยู่มากมายในจั ก, กรวาลทั้งทุริยจักรวาล น, นี้และจักรวาลอื่นๆซึ่งมีไม่สิ้นสุดก็ดีมีแสดงอยู่ไว้หมดในคำพีพระไตรปิฎกศาสตร์เหล่านี้ได้ค้นคว้ามาแล้วเป็นเวลาหลายพันปีโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องนี้ไว้ชัดเจนและก็ยิ่งในปัจจุบันนี้เราได้มีการค้นคว้ากันมากขึ้น จนกระทั่งสามารถที่จะไปสู่ดวงจันทร์ได้ก็ยิ่งจะทําให้คําสอนในพระไตรปิฎกนี้มีความจริงมากยิ่งขึ้นเราจะเห็นสัจธรรมเนี่ยเด่นชัดขึ้นว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นเป็นเรื่องเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิน้นความเป็นโลกเวทูคือผู้รู้แจ้งโลกนี้เราได้จากหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเป็นหลักฐานไว้ในทุะสุตตานติปิฎก โดยเฉพาะในอักขันยสูตรในอคันยสูตรนี้ได้แสดงถึงความเกิดของโลกตั้งแต่เริ่มแรกที่โลกนี้จะกลายเป็นผืนเป็นดินใหญ่ให้มนุษย์ทั้งหลายได้อาศัยกันอยู่ในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรท่านได้ตรัสถึงความจริงของโลกอยู่กับการหนึ่งว่าโลกนี้ย่อมมีเจริญและมีเสื่อมคือมีเกิดขึ้นแลว้วก็แตกดับไปข้อนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงแก่ ภารัทธวาชพรามซึ่งภารัทธวาชพรามนี้ได้ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธองค์ก็ได้แสดงถึงความเกิดของโลกเนี่ยมาตามลาดับเริ่มตั้งแต่โลกนี้ถูกทำลายทำลายไปด้วยความเย็นประการหนึ่งด้วยความร้อนประการหนึ่ง ด, ด้วยลมที่พัดพาทำให้โลกเนี่ยวิบัติไปเนี่ยประการหนึ่ง ในทุษฎีตานติปิฎกนั้นได้แสดงถึงเหตุที่ทําให้โลกมนุษย์ที่เราอาศัยกันอยู่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยอํานาจของความร้อนที่เรียกว่าเตโชสังวัตตะกรบด้วยอํานาจของน้ําที่เรียกว่าอาโปสังวัตตะกรบด้วยอํานาจของลมที่เรียกว่าวายโอสังวัตตกรบคำว่าเตโชสังวัตตะกรบเนี่ยหมายถึงว่า ไฟประลายการจะเกิดขึ้นเผาผลาญโลกในยุคใด ย, ยุคหนึ่งซึ่งจะทําให้โลกนี้แตกสลายไปในที่สุดปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายที่มีอายุยืนอยู่นานๆจะสังเกตเกี่ยวกับฤดูกาลเนี่ยในโลกมนุษย์เราเนี่ยได้ประการหนึ่งว่าทําไมโลกมนุษย์เนี่ยจึงร้อนขึ้นตามลําดับบางทีปีนี้ร้อนมากกว่าเมื่อปีที่แล้ว ความร้อนเนี่ยสูงขึ้นตามลําดับทําไมถึงได้ร้อนขึ้นอยู่เสมอเสมอเกิดกระทั่งแม่เราอยู่เฉยๆไม่ได้ไปออกกําลังอะไรเหงื่อก็ไหลได้อยู่เฉยๆก็ร้อนได้ อ, อความร้อนนี่เกิดขึ้นมาจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เนี่ยทาให้เกิดความร้อนขึ้นใน คำพีพระสุตตันติปิฎกท่านแสดงถึงเหตุที่ทำให้โลกมีวิบัติว่าเกิดมาจากดวงอาทิต ย, ย์หลายๆดวงเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นถึงเจ็ดดวงพอถึงเจ็ดดวงแล้วก็สัตว์อยู่ไม่ได้แล้วพืชต้นไม้ตลอดจนวัตถุต่างๆที่เราสร้างไว้ในโลกเนี่ยก็จะถูกเผาไหม้ไปหมดจนกทั่งโลกเนี่ยละลายหายไปเหลือแต่อากาศธาตุเหลือแต่ความว่างเปล่า ดวงอาทิตย์จะขึ้นถึงเจ็ดดวง เ, เราเรียนฟิมิศาสตร์แล้วเราก็ทราบว่าดวงอาทิตย์นั้นไม่ใช่มีเพียงดวงเดียวในสุริยะจักรวาลอืน่นก็มีดวงอาทิตย์หลายๆดวงและดวงอาทิตย์นี้ก็โคจร อ, อยู่เสมอจะมียุคใดยุคหนึ่งซึ่งนักภูมิศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ได้คาดคะเนว่าดวงอาทิตย์เหล่านั้นอ่จจะโคจรเข้ามาใกล้กันและในวาระนั้นแหละโลกมนุษย์เนี่ยจะร้อนมาก ไม่สามารถที่จะทนทานอยู่ได้ซึ่งกระตรงกับเหตุที่ทำให้โลกเสื่อมตามพระสุตตันติปิดกที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้ว่าดวงอาทิตย์จะเกิดขึ้นเป็นสองดวงสามดวงสี่ดวงมาตามลำดับจะกระทั่งความแห้งแรงเกิดขึ้นความกันดานเกิดขึ้นชีวิตสัตว์ก็ล้มตายลงจนกระทั่งโลกทั้งโลกนี้ก็ต้องถูกทาลายไปแต่ว่ากับเหล่านี้คงจะอีกนานหลายพันปีจึงจะประสบกับ ความริบัดเช่นนั้นเพราะว่าท่านแสดงถึงเหตุหึงความเสื่อมของโลกไว้ว่าอันนี้เป็นธรรมดาของโลกจะต้องประสบต่อความเสื่อมเช่นนี้แล้วเราก็ศึกษาถึงการค้นกวาของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเราก็จะทราบได้ว่าตรงกันกับที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้ในพระสุตตันตปิฎกนี่เป็นความอัศจรรย์ประการหนึ่งว่าในสมัยนั้นวิทยาศาสตร์ก็จะเดิญก้าวหน้าแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้เรื่องโลกนี้ได้อย่างไรเช่นอย่างเรื่องระบบจั ก, กราวาลที่เร า, เ อ, าอาศัยกันอยู่ในปัจจุบันท่านทั้งหลายจะสังเกตว่าเวลาค่ำคืนตอนเดือนมืดเนี่ยเราเห็นท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวต่างๆบางทีก็เป็นทางช้างเผือกยาวทอดสายไปพระพุทธองค์ได้แสดงว่า จักรวาลหรือโลกเนี่ยเป็นอนันตะคือไม่มีที่สิ้นสุดเราศึกษาถึงเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์ น, นัก ด, ดาราศาสตร์ขยายกล้องโทรทัศน์ให้กว้างขึ้นเท่าไรก็จะเห็นกลุ่มดาวมากขึ้นเป็นจำนวนร้อยร้อยล้านดวงจะมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับดาวแต่ละดวงที่เห็นในยิปรยับนนะห่างจากโลกมนุษย์เรามาก แต่ก็เป็นดาวดวงหนึ่งซึ่งบางดวงก็ใหญ่กว่าโลกมนุษย์แต่เราคุ้นเคยกับดาวที่ใกล้กับโลกมนุษย์ mm hmm. เช่นอย่างดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ใกล้กันดวงจันทร์ก็เล็กกว่าโลกมนุษย์บางแยะแต่เราจะเอาดวงจันทร์ลงมาก็ดูมันจะใหญ่โตเท่าขนาดแผ่นดินทางทวีปยุโรปสามารถเอาดวงจันทร์มาตั้งไว้ได้พื้นที่ในดวงจันทร์เนี่ยเท่ากันกับทวีปยุโรป เพว่าเล็ ก, กว่าโลกมนุษย์เราพระพุทธองค์ได้สแสดงถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้โดยชัดเจนในพระสุตตันตปิฎกแต่ว่าเรามาศึกษาว่าผู้ที่บุกเบิกในด้านของจั ก, กรวาลเนี่ยคือกาลิเลโอเราเข้าใจว่ากาลิเลโอซึ่งเป็นนักดาราศ า, ศาสตร์เนี่ยเป็นผู้บุกเบิกในด้านจั ก, กรวาลค้นคว้าเกี่ยวกับดวงดาวต่างๆโดยอาศัยเครื่องมือคือกล้องโทรทัศน์ที่แก่ประกอบขึ้น ศึกษาเกี่ยวกับความดวงความเป็นไปของดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆในจักรวาลนี้แต่ว่าในพระสุตตานตปิฎกนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ใช้กล้องเมื่อไม่ได้ใช้กล้องทําไมจึงได้ทราบว่าจักรวาลเนี่ยเป็นอนันต์ไม่มีที่สิ้นสุดและได้แสดงถึงดวงดาวต่างๆไว้ตลอดจนยืนยันไว้ด้วยว่าดาวบางดวงนั้นมีสัตอาศัยอยู่แต่ว่าเรายัางคนกว้าทำไปไม่ถึง ถึงดวงที่มีสัตว์อศาศัยอยู่ว่าเป็นดวงไหนที่มีมนุษย์เกิดอยู่บ้างแต่ว่ามีแน่เพราะว่าสัตว์ไม่ใช่เกิดแต่เฉพาะในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นโลกอื่นก็มีแต่ว่าการไปสู่โลกอื่นนั้นในสมัยก่อนอที่ท่านแสดงเอาไว้ไม่ละเอียดเหมือนกับการไปสู่โลกอื่นเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้<ม>เช่นอย่างในจักรวัตติสูตรท่านได้แสดงถึงพระเจ้าจากักรพรรดิที่ไปเยือนโลกอื่นโดยอาศัยจาก จักนี่หมายถึงเป็นจักเป็นยานอันหนึ่งของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นยานคู่บา ร, รมีของจักรพรรดิจักอันเนี่ยหมุนเร็วมากมีนักปราวิจากนกล่าวว่าคําว่าจักในสมัยก่อนเนี่ยก็คือจรวดในปัจจุบันนี้นั่นเองเพราะว่าถ้าเราพูดจักจักวายเข้ามันจะกลายเป็นจรวดจรวดขึ้นนั้นจักเนี่ยแปลงมาเป็นจรวดในปัจจุบันนี้และแสดงให้เห็นว่าเรื่องการ ทำจรวดไปสู่โลกอื่นนั้นนะ่ะมีมานานแล้วหลายพันปีแต่ว่าอันนี้ได้เสื่อมสิ้นไปสมัยนั้นผู้ใดก็ตามที่สามารถไปสู่โลกอื่นได้ผู้นั้นก็เป็นจักรพัฒนมีอำนาจถึงโลกอื่นด้วยเมื่อยานอันนี้ไปสู่โลกไหนมนุษย์ในโลกนั้นก็สงบราบคาบยอมเป็นเมืองขึ้นนี่เป็นเป็นเรื่องที่แสดงไว้ในสุตตานตปิฎกแล้วก็ผู้ที่เป็นจักรพัฒนั้นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง ในสมัยที่สเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสามารถไปสู่โลกอื่นได้แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายว่าในพระไตรปิฎกก็ดีในอัตถกถาก็ดีไม่ได้อธิบายโดยละเอียดถึงส่วนประกอบของยานว่ายานอ น, น, นั้นทาขึ้นมาด้วยอะไรแล้วก็มีเชื้อเพลิงขับดันอย่างใรบ้างแต่ได้แสดงถึงในเรื่องบา ร, รมีเป็นใหญ่ว่ายานอนุเฉลิมอยู่ตลอดเวลาคู่บาลังของพระเจ้าจากักรพรรดิ ถ้าจากกักรพรรดินี้หมดบุญเมื่อใดยานอันนี้จะอันตรทานหายไปทันทีก็ถ้ า, ายา言อันเนี้เกิดขึ้นด้วยอํา น, นาจของบารมีเไม่เหมือนกับในปัจจุบันนี้ที่เราประกอบกันปัจจุบันนี้ผู้ที่มีบุญมากไปสู่โลกอื่นได้ก็คือนักบินอวกาศมีบุญมากที่สุดหรือไ ด, ได้สามารถไปสู่โลกอื่นได้แต่ในสมัยก่อนนั้นคือจกกักรพรรดิพระเจ้าจากกักรพรรดิสามารถไปได้ เนี่ยคือเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าเรื่องที่แสดงไว้ในพระสุตตานตปิฎกนั้นเริ่มจะเป็นความจริงขึ้นในปัจจุบันธนกุทเชศาสตร์ต้นกว่ากันอย่างจริงจังบุกเบิกในจักรวาลเนี่ยมากขึ้นก็จะทําให้สัจธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยเด่นชัดยิ่งขึ้นเพราะว่ามีแสดงอยู่หมดแล้วในพระไตรปิฎกมีหลักฐานที่ได้แสดงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องความเจริญในด้านนี้ความรู้โลก รู้จักโลกที่เราสันนิษฐาว่าเป็นโลกวิถูนั้นท่ารู้จักโลกทุกด้านทุกแง่ทุกมุมเพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ชนะโลกหรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนไปสู่โลกุตตรธรรมคือเหนือโลกได้นเช่นอย่างเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปของจั ก, กรวาล น, นี้เราก็จะเห็นได้ว่าท่านได้ตรัสมานานแล้ว และนักเิยาาียสั์กำลังค้นคว้าตามหลังตามหลังพุทธศาสตร์ออแม้แต่โลกมนุษย์ที่เราอาศัยกันอยู่พระพุทธองค์ก็แสดงแล้วว่าโลกเนี่ยลมโลกลมและก็ะแสดงถึงสันฐานของโลกตั้งแต่ผิวโลกลงไปว่าที่เราได้อาศัยกันอยู่คือผือนแผ่นดินเนี่ยผืนแผ่นดินนี้หนาสองหมื่นสี่พันโยก ท่นตรัสไปเลยวันหนาสองหมื่นสี่พันโยชน์แผ่นดินเนี่ยใครจะพิสูจน์ก็ลองเจาะมันดูก็ได้สองหมื่นสี่พันโยนแล้วก็พื้นแผ่นดินนี้ลอยอยู่บนน้ําน้ําห่อหุ้มแผ่นดินเนี่ยอีกชั้นหนึ่งน้ํานี่หนาทั้งหมดสี่หมื่นแปดพันโยชน์จากน้ําออกไปก็เป็นอากาศอากาศห่อหุ้มน้ําไว้อีกทีหนึ่งอากาศนี่หนาถึงเก้าหมื่นหกพันโยชน์ นี่เป็นสันฐานของโลกที่ท่านได้แสดงเอาไว้ซึ่งก็ตรง ก, กันกับหลักภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์ในปัจจุบันนี้เราทราบกันแล้วว่าจำนวนเนื้อที่ผืนแผ่นดินกับน้ํำนั้นน้ำมากกว่าแผ่นดินอากาศช่อหุ้มโลกเนี่ยอีกชั้นหนึ่งจึงทำให้น้ำเนี่ยรองรับแผ่นดินไว้อยู่นอกอากาศออกไปจะมีอากาศอีกช่วงหนึ่งซึ่งเป็นอากาศที่ขั้นดวงดาวต่อดวงดาว อากาศชนิดนี้เราเรียกกันว่าอาวกาศแต่ว่าในปัตตัยพยิดกใช้คำว่าอัจฉราากาศอัจฉดาากาศนี่เป็นอากาศที่ขั้นจักรวาลต่อจักรวาลมีให้ชนกันเนี่มากระทบกันเนี่ยขั้นระหว่างจักรวาลต่อจักรวาลได้ว่าอัจฉราากาศสันฐานของโลกอย่างนีเ้เป็นเรื่องที่น่าอศัศจรรย์ว่ า, วา พระพุทธองค์ได้แสดงไว้ซ้อมทั้งเหตุผลตลอดจนขนาดของโลกแม้แต่ขนาดของดวงจันทร์ท่านก็ได้แสดงไว้เช่นพื้นที่ดวงจันทร์เนี่ยกว้างยาวกี่พันโยธกี่สิบโยธ ด, ดวงอาทิตย์ผ่ า, านศูนย์กลางเนี่ยกว้างเท่าไรแสดงไว้หมดซึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงเกี่ยวกับ สันฐานของโล ก, กต่างๆเหล่านี้ไว้ไม่มีอุปกรณ์เหมือนอย่างในปัจจุบันแต่ว่าได้อาศัยพระยานซึ่งเป็นรสสัศพันธุตยานนี้เองที่ยังรู้ถึงความจริงของโล ก, กต่างๆทุกๆด้านและได้แสดงให้เราได้ทราบว่าดวงจันทร์ในจักรวาลอื่นเขาก็มี